บทที่สิเจอุบายแก้ความง่วงนอนเขาพระเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่าอุปสรรคที่สําคัญของสมาธิเมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีอยู่เพียงสองอย่างคือความง่วงนอนกับความฟุ้งซ่านอุบายแก้ความฟุ้งซ่านได้เคยพูดมามากแล้วสําหรับในตอนนี้จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องอุบายแก้ความง่วงนอน ความเบื่อหน่ายความทอ้อแท้ซึ่งไม่เป็นแต่เพียงอุปสรรคของการเข้าสมาธิเท่านั้นแต่เป็นอุปสรรคแห่งความก้าวหน้าของการงานทุกอย่างและเป็นสาเหตุอันหนึ่งแห่งความเสื่อมโทรมของสุขภาพทางจิตซึ่งถ้าหากคนไหนเกิด บ, บ่อยๆจนกระทั่งเรื้อรังแล้วก็จะกลายเป็นคนที่อาภัพยอย่างน่าสงสารที่สุด ความง่วงนอนความเบื่อหน่ายความท้อแท้ภาวะของจิตทั้งสามอย่างนี้ย่อมจะต้องมาด้วยกันเสมอเช่นในขณะใดในเวลานั่งสมาธิถ้าเกิดง่วงก็หมายถึงความรู้สึกเบื่อหน่ายความรู้สึกท้อแท้หมดกาลังใจความรู้สึกขี้เกียจไม่อยากจะทำอะไรก็จะเกิดขึ้นด้วย และครั้นแล้วความฟุ้งซ่านก็เข้าครอบงำในที่สุดก็นั่งสมาธิไม่ได้จงสังเกตว่าถ้าหากก่อนที่จะนั่งสมาธิรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากจะนั่งก็มักจะเกิดความง่วงในขณะนั่งสมาธิทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้อดนอนร่างกายเป็นปกติซึ่งถ้าไปทำงานอย่างอื่นที่ตนเองชอบ ก็จะไม่ง่วงเลยความง่วงชนิดที่เกิดมาจากความเบื่อหน่ายท้อแทน้นี้ขอให้พยายามสังเกตให้ดีเพราะความง่วงที่เกิดในขณะนั่งสมาธินานแม้ในบางกรณีเราจะเห็นได้ชัดว่ามาจากสาเหตุอื่นก็ตามแต่หลักส่วนใหญ่ก็มาจากเหตุอันเดียวกันคือความเบื่อหน่ายท้อแท้ ความง่วงนอนที่มีสาเหตุมาจากทางร่างกายจะยังไม่อธิบายเพราะส่วนมากก็มักจะเข้าใจกันดีในตอนนี้จะขออธิบายถึงสาเหตุในทางจิตใจก่อนขอให้โปรดจำหลักอันหนึ่งไว้ก่อนว่าเมื่อใดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในใจเมื่อนานวิบากของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดาน ความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้น บ, บ่อยๆนี่แหละคือสาเหตุอันแท้จริงของความง่วงนอนในเวลานั่งสมาธิและในเวลาทำงานอื่นๆทุกอย่างคนที่เป็นโรคท้องผูกเป็นประจานั้นเราจะสังเกตอาการได้อย่างหนึ่งคือคนประเภทนี้มีความกดดันทางอารมณ์สูงมีความเคร่งเครียดทางประสาทมาก ได้ชอบทำอะไรตามอารมณ์เช่นเมื่อถึงเวลาถ่ายถ้าหากขณะนั้นมัวทำอะไรเพลินอยู่หรือมีโทระยุ่งกับอะไรจะไม่ไปถ่ายหรือลองไปถ่ายดูแล้วเมื่อไม่ถ่ายก็เลยขี้เกียจและมักจะรอให้ปวดเสียก่อนจึงจะไปถ่ายถ้าไม่ปวดก็ไม่ไปถ่ายคนที่เป็นโรคท้องผูก อาการดังที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ชัดทุกคนแต่ถ้าหากคนไหนพอถึงเวลาถ่ายจะปวดหรือไม่ปวดก็ไปถ่ายจะออกหรือไม่ออกก็ตามก็พยายามรักษาเวลาไว้เสมอคนประเภทนี้ถ้าหากจะเป็นโรคท้องผูกก็จะเป็นไม่นานจนถึงกับเรื้อรังแต่ทั้งนี้หมายความว่าต้องมีการกระทำอย่างอื่นด้วย เช่นรับประทานผักและผลไม้ให้มากออกกำลังกายบ้างดื่มน้ำก่อนนอนและตอนเช้ามันบริหารที่หน้าท้องอย่างนี้เป็นต้นการกระทำเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่จะช่วยไม่ให้ท้องผูกแต่ก็ขอได้โปรดจำไว้ว่าแม้เราจะได้ปฏิบัติตามหลักดังที่กล่าวมานี้อยู่เสมอแล้วก็ตาม แต่ถ้าหากจะเป็นคนเจ้าอารมณ์คือไม่ถ่ายตามเวลาชอบใจจะถ่ายเมื่อไหร่ก็ไปถ่ายทั้งๆ ท, ที่ในบางขณะรู้สึกปวดท้องถ่ายแล้วแต่ก็ไม่ไปพระมัวทำอะไรเพลิอนอยู่ถ้าหากเป็นคนเจ้าอารมณ์อย่างนี้แน่นอนแม้จะได้ปฏิบัติตามหลักอนามายัยอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตามก็จะต้องเป็นโรคท้องผูกจนได้ ความกดดันทางอารมณ์และการทำอะไรตามอารมณ์นี่คือสายเหตุใหญ่ของโรคท้องผูกที่เป็นกันอยู่ทุกวันและเราจะพบแม้กระทั่งในเด็กๆเช่นเด็กที่คร่ำแคร่งต่อการเรียนมักจะเป็นโรคนี้กันมากซึ่งบางคนเข้าใจว่าเป็นเพราะนั่งมากเกินไปแต่ความจริงมันเกี่ยวข้องกันน้อยที่สุด เพราะเด็กที่ขยันเรียนนั่งดูหนังสือวันยังค่ำนั้นถ้าหากเป็นคนมีอารมณ์รื่นเริงจิตใจสบายและทำอะไรตามเหตุผลทำอะไรตรงต่อเวลาเด็กประเภทนี้แม้จะนั่งมากก็ไม่เป็นโรคท้องผูกการที่ข้าพเจ้าได้นำเอาเรื่องท้องผูกมากล่าวไว้ในที่นี้ก็เพราะเป็นตัวอย่าง ที่จะเชีย่ยเห็นได้ง่ายถึงอาการง่วงนอนที่เกิดขึ้นในเวลานั่งสมาธิหรือในเวลาทำการงานอย่างอื่นขอได้โปรดนึกถึงหลักที่ได้กล่าวมาแล้วอีกครั้งหนึ่งเมื่อใดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบากข้ามันย่อมเกิดขึ้นในสันดานคนที่เป็นโรคท้องผูกอยู่เสมอก็เพราะไม่พยายามถ่ายทุกวัน และเมื่อท้องผูกอยู่เสมอโลหิตที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกายย่อมไม่บริสุทธิ์ฉนั้นจึงทำให้เกิดอาการมืนสมองทึบปวดศีรษะอ่อนเพลียและถ้าหากท้องผูกมากลายละวันจึงจะ่ายและเป็น บ, บ่อยๆก็จะทาให้เกิดโรคอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างในทํานองเดียวกันความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้น ก็คือของเสียในทางจิตใจถ้าไม่รีบขับถ่ายออกเสียโดยเร็วมันก็จะเรื้อรังเพราะวิบากของความเบื่อหน่ายมันจะสะสมมากขึ้นคนที่เป็นโรคง่วงนอนเป็นประจำในขณะนั่งสมาธิหรือในเวลาทํางานอื่นก็คือคนที่เป็นโรคท้องผูกในทางจิตใจนั่นเองความเบื่อหน่าย โดยธรรมดาก็เกิดจากการที่เราทำอะไรแล้วไม่เห็นผลหรือไม่ได้ผลตามที่ต้องการคนที่ผิดหวังอยู่เสมอในชีวิตประจำวันหรือมีความกดดันในทางอารมณ์อยู่เสมอคืออยากจะได้อะไรหรืออยากจะให้ตัวเองเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่สมหวังสักทีหรือมีความจำเป็นบังคับให้ตัวเองต้องอยู่กับเหตุการณ์ หรืออยู่กับบุคคลซึ่งตัวเองไม่เคยชอบไม่อยากได้ไม่อยากทําไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ก็หนีไม่พ้นต้องทนอยู่กับเหตุการณ์ที่ว่านี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกแม้บางคนจะต้องทนอยู่เคยชินแล้วก็ตามแต่ภายในจิตใจก็ยังไม่สบายอยู่นั่นเองความสดชื่นความร่าเริงในชีวิตประจําวันมีน้อย คนประเภทนี้จะต้องมีความกดดันทางอารมณ์สูงและทุกครั้งที่มีความกดดันทางอารมณ์ย่อมหมายถึงจะต้องมีความเบื่อหน่ายหรือความท้อแท้เกิดขึ้นเป็นประจำและในเมื่อมันเกิดขึ้นบ่อยๆจนกระทั่งวิบากในเรื่องนี้มีมากแล้วมันก็จะทำให้เบื่อแม้กระทั่งต่อสิ่งที่ตัวเองชอบอยากจะทําอยากจะได้ แต่บางทีอาการเบื่อจะไม่ปรากฏชัดเพราะว่าเราพยายามนึกในแง่ดีได้ในมองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เราจะทำอยู่แล้วแต่มันก็ช่วยไม่ได้คือแทนที่จะเบื่อกับปรากฏว่าทุกครั้งที่ทำก็อดง่วงไม่ได้เช่นอย่างในกรณีที่เด็กบางคนง่วงในเวลาเรียนหนังสือทั้งๆที่ไม่ได้อดนอนมาก่อน และคนบางคนทั้งที่เดี๋ยวนี้ก็ชอบนั่งสมาธิซึ่งบางวันก็นั่งได้คือใจสงบได้และรู้สึกสบายแจ่มใสเคยเห็นผลอันนี้มาบ้างแล้วจึงได้ชอบนั่งสมาธิแต่ถึงกระ น, นั้นส่วนมากที่นั่งก็มักจะ ง, ง่วงเสมออาการง่วงที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ เป็นเพราะได้สะสมวิบาะของความเบื่อหน่ายเอาไว้มากนั่นเองจนกระทั่งกลายเป็นโรคเรื้อรังพยายามแก้เท่าไรเท่าไรอาการง่วงก็ไม่รู้จักหายความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตประจำวันนี่คือภยัยชีร้ายกาจอย่างหนึ่งซึ่งคนในสมัยปัจจุบันได้รับกันอยู่เสมอเพราะความทะเยอทะยานของคนสมัยนี้มีมาก และความจําเป็นที่บีบบังคับให้เราจําเป็นต้องอยากได้อ น, นั้นอยากได้อั น, นี้ก็มีมากกว่าคนในสมัยก่อนแต่ความสมหวังมีน้อยหรือถึงแม้จะได้มันก็ไม่ถูกใจด้วยเหตุนี้เองความไม่สบายใจจึงได้มีอยู่เสมอความไม่สบายใจอันนี้แหละคือสาเหตุของความเบื่อหน่ายขอให้สังเกตว่า ถ้าเราทำอะไรได้วยความสบายใจความเบื่อหน่ายจะไม่มีคนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จด้วยตนเองและมักจะล้มเหลว อ, อยู่เสมอความเชื่อมั่นในตัวเองก็ย่อมจะมีน้อยและถ้าหาความล้มเหลวที่ว่านี้มีบ่ยบอยๆเป็นเวลานานเขาก็จะเกิดความเคยชินพอจะทำอะไรก็จะมีอุปาทานเกิดขึ้นว่า คราวนี้มันก็ต้องล้มเหลว อ, อีกซึ่งความเป็นจริงถ้าหากเขาจะพยายามทำจริงๆในที่สุดถึงแม้จะล้มเหลวบ้างแต่แล้วมันก็ต้องสำเร็จจนได้แต่สำหรับคนที่มีอุปาทานฝังใจอยู่เสมอเสียแล้วว่ามันจะต้องล้มเหลว อ, อีกเขาก็ต้องล้มเหลวจริงๆไม่ว่าจะทำอะไรเพราะความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มี ความเป็นตัวข้างตัวเองก็ไม่มีคนประเภทนี้เราจะเห็นว่าเป็นคนอาภัพที่น่าสงสารตลอดชีวิตของเขาจะไม่บรรลุผลสำเร็จอะไรเลยในทำนองเดียวกันคนที่มีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยสันดานคนประเภทนี้ก็จะทนทาอะไรอยู่ไม่ได้นาน เพราะไหนไม่ช้าก็จะรู้สึกเบื่อถ้ายิ่งมีเหตุการณ์บังคับให้ต้องทนทําต่อไปความเบื่อหน่ายก็จะมีมากขึ้นเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างสั่งกรตายบุคคลที่สะสมวิบากของความเบื่อหน่ายเอาไว้มากในเวลานั่งสมาธิถึงแม้จะไม่อดนอนแต่นั่งเทไรก็จะอดง่วงไม่ได้สําหรับในกรณีอย่างนี้แก้ยากมาก เพราะเขาเป็นโรคท้องผูกในทางจิตใจเสียจนเรื้อรังจึงแก้ยาก คนางคนที่เป็นโรคท้องผูกอย่างเรื้อรังนั้นต้องคอยรับประทานยาถ่ายเป็นประจำถ้าไม่รับก็ไม่ถ่ายจะแก้อย่างไรก็ไม่หายนอกจากการใช้ยาเท่านั้นและบางคนเมื่อเคยชินแล้วยาในขนาดที่เคยรับก็ไม่ได้ผลต้องเพิ่มปริมาณยาขึ้นไปอีกซึ่งความเป็นจริงโรคท้องผูก สาเหตุใหญ่อยู่ที่ความกดดันทางอารมณ์หรือความตึงเครียดทางประสาทถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุนี้แล้วโรคท้องผูกไม่มีวันหายคนที่เป็นโรคง่วงนอนอันเนื่องมาจากสะสมวิบากของความเบื่อหน่ายไว้มากก็เช่นเดียวกันตราบใดถ้าหากไม่พยายามที่จะหัดทำงานหรือทำอะไรให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง ให้มีความภาคภูมิใจในตัวเองและรู้สึกแจ่มใสในการมีชีวิตอยู่กับอาชีพหรืองานการอะไรก็ตามที่ทำอยู่เป็นประจำยังแก้ความเบื่อหน่ายให้หมดไปไม่ได้แล้วความง่วงนอนในเวลานั่งสมาธิก็ไม่มีวันหายเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นได้ว่าการแก้เรื่องความง่วงนอนในขณะนั่งสมาธิ จะต้องเกี่ยวโยงไปถึงการทำงานในชีวิตประจำวันด้วยเด็กๆ เ, เวลานั่งสมาธิถ้าหากเขามีศรัทธาในการนั่งส่วนมากจะไม่ง่วงเว้นไว้แต่จะอดนอนเพราะเด็กส่วนมากมีชีวิตร่าเริงแจ่มใสแต่ถ้าเป็นเด็กที่ไม่มีความสุขเพราะพ่อแม่ยากจนหรือเพราะพ่อแม่มักจะมีปัญหา ทำให้เด็กไม่ค่อยมีความสุขเด็กประเภทนี้เวลานั่งสมาธิก็มักจะง่วงส่วนผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่มีอายุมากๆน้อยคนนักที่จะไม่ง่วงในเวลานั่งสมาธิแต่ในที่สุดก็หลับได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายคนที่มีอายุประเภทนี้ทั้งทั้งที่ไม่ได้อวดนอน แต่เวลานั่งสมาธิก็มักจะง่วงสาเหตุที่ง่วงก็เป็นอย่างเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วคือโดยธรรมดาคนที่ผ่านชีวิตมามากน้อยคนมากที่จะมีชีวิตอยู่อย่างแจม่มใสราเรืองมาโดยตลอดคนเราพอมีอายุมากขึ้นก็มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นมีความจำเป็น มีภาระที่มักทำให้ไม่ค่อยสบายใจมากขึ้นความเบื่อหน่ายและความไม่สบายใจเกิดขึ้นทุกวันวันละหลายๆครั้งเมื่อนานนานหลายปีมันก็มากขึ้นฉะนั้นเมื่อมีอายุมากก็หมายถึงว่าได้สะสมมามากทีเดียวด้วยเหตุนี้คนที่มีอายุจึงมักจะง่วงนอนเสมอในเวลานั่งสมาธิ และก็เป็นเรื่องแก้ยากเพราะมันรั้วรังเสียแล้วแต่อย่างไรก็ดีสำหรับคนที่มีพื้นการศึกษาธรรมเข้าใจได้ง่ายมีศรัทธานในการเรียนและในขณะที่เรียนก็มักจะมีความสบายใจมีความแจ่มใสมีปีติเกิดขึ้นจำอะไรได้บ้างไม่ถึงกับเลอะเลือน สำหรับคนที่มีอายุประเภทนี้พอจะแก้ไขได้และวิธีแก้แบบง่ายๆก็คือก่อนที่จะนั่งสมาธิให้นอนหลับสักนิ่มหนึ่งหรือในระหว่างที่นั่งสมาธิถ้ารู้สึกง่วงก็ให้ไปนอนหลับสักยี่มหนึ่งพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่ง่วงในเวลานั่งสมาธิแต่ข้อสาคัญต้องพยายามหัดนอนหลับให้ได้เร็ว ถึงแม้จะเคลื่มเครื่มไม่ถึงกับหลับสนิทก็ใช้ได้แต่การที่จะหัดนอนหลับให้เร็วแบบนี้ต้องใช้สมาธิประกอบถ้านอนหลับอย่างแบบธรรมดากว่าจะหลับก็คิดอะไรเรื่อยเปื่อยถ้ายังแก้นิสยัยอันนี้ไม่ได้ก็แก้อาการง่วงนอนในเวลานั่งสมาธิไม่ได้เพราะฉะนั้นในเวลาจะนอนแต่ละครั้ง แม้จะเป็นการนอนชั่วคราวชั่วขณะสักห้านาทีหรือสิบนาทีก็ต้องใช้สมาธิช่วยกล่าวคือเมื่อตั้งใจจะหลับแล้วก็ต้องพยายามเลิกคิดเรื่องอื่นทุกอย่างพยายามตัดความคิดอย่างอื่นไปให้หมดทุกอย่างพยายามนึกถึงแต่ลมหายใจเข้าออกหรือบทภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งหัดครั้งแรกก็คงจะลําบาก แต่ถ้าหัดบ่อยๆก็จะหลับได้โดยไม่ยากวิธีแก้ความง่วงนอนตามวิธีนี้ได้ผลแน่นอนความง่วงนอนสาเหตุใหญ่ก็ามาจากความกดดันหรือมาจากความเบื่อหน่ายในชีวิตที่เกิดขึ้นบ่อยๆจนติดสันดานมีความเคยชินเกิดขึ้นเสร็แล้วเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ หลักใหญ่จึงอยู่ที่ต้องพยายามหางานทําชนิดที่ทําให้มีความร่าเริงแจ่มใสในชีวิตประจําวันจะต้องมีความร่าเริงสบายใจอย่าปล่อยให้ความเบื่อหน่ายหรือความไม่สบายใจเกิดขึ้น บ, บ่อยๆถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็รีบหาทางระบายออกเช่นเดียวกับเมื่อรู้สึกปวดท้องถ่ายก็ต้องรีบไปถ่ายเสีย อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานบ่ยบอยๆครั้งเข้าก็จะกลายเป็นโรคท้องผูกที่แก้ยากในภายหลังสุภาณุปัสสิงวิหันตังอินทรีเยสุอสังวุตังโภชนามีอมาตตัญยุงกุศีตังหีนวิริยังตังเวปสาหติมาโรว่าโตรุกขังวัทุพลัง ผู้ที่มองแต่ในแง่สวยงามอยู่เสมอไม่สํารวมอินทรีย์ไม่รู้จักประมาณในการกินเป็นคนขี้เกียจมีความเพียนไม่ดีมารย่อมครอบงำเขาได้เหมือนลมย่อมพัดต้นไม้ที่รากไม่มั่นคงให้ล้มได้ฉะนั้น ตอนที่แล้วมานี้ข้าพเจ้าได้พูดถึงอุบายแก้ความง่วงนอนโดยชีย้ให้เห็นว่าคนที่ทำงานด้วยความเบื่อหน่ายไม่มีความร่าเริงแจ่มใสหรือต้องทนอยู่กับเหตุการณ์ซ้ำาๆซากซา ก, ากซึ่งตัวเองมองไม่เห็นทางก้าวหน้าแต่ก็ต้องทนทำคนประเภทนี้เวลานั่งสมาธิมักจะต้องง่วงนอนเสมอ แก่เท่าไรเท่าไรก็ไม่ค่อยหายเพราะวิบาวของความง่วงความเบื่อหน่ายท้อแท้ที่สะสมอยู่เสมอนานยังไม่ได้แก้นอกจากจะยังไม่ได้แก้แล้วยังสะสมเพิ่มอยู่ทุกวันทุกวันอีกด้วยเพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาข้อนี้จึงอยู่ที่ต้องพยายามทำใจให้สบายอยู่เสมอในชีวิตประจำวันถ้ายังแก้ไม่ได้ การฝึกสมาธิก็ยากที่จะทำได้แต่อย่างไรก็ดีท่านควรจะได้ศึกษาถึงอุบายแก้ความง่วงโดยละเอียดซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระโมฆลลานะไว้ดังต่อไปนี้พระมหาโมฆลลานะเมื่อได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในที่สงัดแห่งหนึ่ง ใกล้หมู่บ้านกาลวามุตคามในแควนมคตวันนั้นเป็นวันที่เจ็ดนับจากวันที่ได้อุปสมบทมาตลอดเวลาที่ได้มาอยู่ที่นี่ท่านได้พยายามปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งร่างกายอ่อนเพลียในที่สุดจึงได้นั่งงกอยู่ในขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงประทรับอยู่ที่มิกทายวันในแควนพักคะ ได้ทรงเห็นพระมหาโมคลานะนั่งโกกอยู่ด้วยทิพยจักษุจึงได้เสด็จมาปรากฏต่อหน้าพระมหาโมคลานะอย่างรวดเร็วเสมือนหนึ่งคนที่มีกำลังเหยียดแขนออกหรืองอแขนเข้าคือมาได้รวดเร็วชั่วรัดนิ้วมือเดียวหรือถ้าจะพูดให้ถูกคือชั่วขนาดจิตเดียวด้วยอำนาจมโนมิยติ เมื่อได้ทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วจึงได้ตรัสกับพระมหาโมคลานะว่าโมคลานะเธอง่วงหรือเมื่อพระมหาโมคลานะทูลว่าง่วงพระองค์จึงได้ตรัสว่าหนึ่งโมคลานะเมื่อเธอมีสัญญาอย่างไรความง่วงจึงได้ครอบงำได้เธออย่าใส่ใจถึงสัญญานั้นให้มาก อันนี้เป็นอุบายอันหนึ่งที่จะทำให้ละความง่วงได้แต่ถ้ายัางละไม่ได้ก็พึงทำอย่างนี้สองทำใดที่เธอได้ยินได้ฟังได้เล่าเรียนมาเธอพึงนึกคิดพิจารณาถึงธรรมนั้น บ, บ่อยๆนี่ก็เป็นอุบายอีกอันหนึ่งที่จะทำให้ละความง่วงได้แต่ถ้ายัางละไม่ได้ก็พึงทำอย่างนี้สาม ทำใดที่เธอได้ยินได้ฟังได้เล่าเรียนมาเธอพึงสาธยายคือสวนทํานองสวนมนต์ถึงธรรมนั้นโดยพิสดาร น, นี่เป็นอุบายอีกอันหนึ่งที่จะทำให้ละความง่วงได้แต่ถ้ายัางละไม่ได้ก็พึงทำอย่างนี้ C เธอพึงแยงหูทั้งสองเอามือรูปตามตัวนี่ก็เป็นอุบายอีกอันหนึ่งที่จะทำให้ละความง่วงได้ แต่ถ้ายังละไม่ได้ก็พึงทําอย่างนี้หเธอพึงลุกจากที่นั่งแล้วไปเอาน้ําลูบหน้าลูบตาเหลียวแลดูทิศทั้งหลายมองดูดาวนักขัดทั้งหลายนี่ก็เป็นอุบายอีกอันหนึ่งที่จะทําให้ละความง่วงได้แต่ถ้ายังละไม่ได้ก็พึงทําอย่างนี้หก เธอพึงมานาสิการถึงอาโลกสัญญาอธิษฐานให้ในใจเกิดความสว่างเหมือนกลางวันเมื่อเธอมีจิตผ่องแผ้วไม่มีนิวรณ์หุ้มหอ่อก็จะยังจิตที่มีแสงสว่างให้เกิดขึ้นนี้ก็เป็นอุบายอีกอันหนึ่งที่จะทำให้ละความง่วงได้แต่ถ้ายังละไม่ได้ก็พึงทำอย่างนี้เจ เธอพึงอธิษฐานเดินจงกรมไปมาพร้อมกับควบคุมใจให้อยู่แต่ภายในตัวไม่ให้ใจไปนึกถึงสิ่งภายนอกนี้ก็เป็นอุบายอีกอันหนึ่งที่จะทำให้ละความง่วงได้แต่ถ้ายังละไม่ได้ก็พึงทำอย่างนี้แปดเธอพึงนอนแบบสีหะสายญาิคือนอนตะแคงขวาวางเท้าเหลื่อมกัน มีสติสัมปชัญญะและตั้งใจไว้ว่าเมื่อตื่นขึ้นแล้วจะลุกขึ้นทันทีเราจะไม่แสวงหาความสุขจากการนอนจากการเองจากการหลับเรื่องอุบายแก้ความง่วงทั้งแปดข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไวน้นี้เราอาจแยกประเด็นได้สองอย่างคือความง่วงที่เกิดจากร่างกายอ่อนเพลียหรืออดนอนซึ่งในกรณีนี้ วิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับให้อิ่มซะก่อนแล้วจึงทำสมาธิอีกประเด็นหนึ่งก็คือความง่วงที่เกิดจากความกดดันของกิเลสซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คนส่วนมากที่ฝึกสมาธิไม่สำเร็จคือนั่งทีไรมักง่วงเสมอเมืง่ง่วงแล้วก็ฟุ้งซ่านควบคุมสติไว้ไม่ได้ ในกรณีอย่างนี้ในคำเพี์ปรมัตถมันชุษาซึ่งเป็นคำเพียอธิบายคำเพี์วิสุทธิมักก็มีกล่าวไว้เหมือนกันว่ากามะฉันทะเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดทีนมิทธะอุทธัจจะและอวิชาซึ่งํำนวนบาลีที่ท่านกล่าวไว้มีดังนี้กามะฉันทะนีวรนานังปฏิจจะ ทีณมิทานิวรณังอุทจจนิวรณังอวิชานิวรณังอุปัชันติทีณามิทานิวร อ, อุทจจนิวร อ, อวิชานิวรนเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยกามฉันทะนิวร น, นิวรแปลว่าเครื่องกรีดขวางมิให้คนเราบรรลุสมาธิไม่ให้บรรลุมรรคผลและนิพพาน นิวรมีอยู่ห้าอย่างคือหนึ่งกามฉันทะความพอใจในกามกามในที่นี้หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทุกอย่างที่ตนพอใจละคใครสพยาบาทความอาฆาตความจองเวรความโกรธความไม่พอใจความขุนเคืองสถทีนามิธาความท้อแท้ ความขี้เกียจความง่วงนอนสอุท ธ, ธจกักุกุจจความฟุ้งซ่านความรำคาญ 5. วิจิกิจฉาความสงสัยจากหลักที่อ้างมานี้ท่านแสดงให้เห็นว่านิวรณ์ข้ออื่นเช่นความท้อแท้ความเบื่อหน่ายความง่วงนอนความฟุ้งซ่านเป็นต้น นิวรณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็เพราะกามาชันทะและโดยธรรมดากิเลสตัวนี้เป็นเจ้าเรือนคือฝังอยู่ในใจแทรกซึมอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอยู่ตลอดเวลาโปรดจำให้ดีว่าคำว่ากามาชันทะไม่ใช่มีความหมายเฉพาะแต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกในเพศตรงกันข้ามเท่านั้น ความอยากมีเงินอยากมีชื่อเสียงชอบดอกไม้ชอบแต่งตัวชอบฟังเพลงชอบดูหนังดูละครอยากรับประทานอาหารที่อร่อยความรู้สึกเหล่านี้ทั้งหมดก็รวมเรียกว่ากามฉันทาทั้งสิน้นและในชีวิตของคนทั่วไปย่อมมีความต้องการมีความทะเยอทะยานในเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอ และก็ไม่มีใครที่จะสมความปรารถนาในสิ่งที่ต้องการได้ทุกอยา่างและด้วยเหตุนี้ความกดดันจึงได้มีอยู่เรื่อยๆคนที่มีความหมุนหมองไม่สบายใจอยู่เสมอความคิดฟุ้งซ่านนอนไม่ค่อยหลับพื้นเสียบ่อยๆสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากความกดดันในเรื่องอารมณ์ด้วยเหตุนี้ ผู้ใหญ่จึงฝึกสมาธิยากเพราะมีความกดดันมากส่วนเด็กๆความกดดันมีน้อยถ้าหากเป็นคนมีศรัทธาเป็นคนว่าง่ายส่วนมากก็นั่งสมาธิได้ดีในตอนก่อนข้าพเจ้าได้แนะนำว่าให้พยายามทำงานชนิดที่จะสามารถทำใจให้สบายอยู่ได้เสมออันนี้ ถ้าหากคนไหนทําได้ความกดดันในเรื่องอารมณ์ต่างๆจะค่อยๆน้อยลงเวลานั่งสมาธิก็จะไม่ค่อยง่วงนอนแต่ความฟุ้งซ่านอาจจะยังควบคุมไม่ได้เพราะสาเหตุของความฟุ้งซ่านมีมาหลายทางดังที่กบเจ้าได้อธิบายมาแล้วในตอนก่อนๆ อ, อุบายแก้ความง่วงนอนทั้งแปหัวข้อ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นขอให้พยายามศึกษาโดยละเอียดผู้ที่ต้องการอยากจะทราบโดยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้อ่านจากหนังสือคู่มือการฝึกอานาปานสติสมาธิในที่นี้ก็พระเจ้าแนะพลอยทราบเป็นแนวทางเอาไว้เท่านั้นขันตีปรมังตโปตีติขาความอดทนคือการไม่ยอมให้กิเลสและความทุกข์ เกิดขึ้นในใจเป็นตาบาอันสูงสุด ท8วิธีคลายความกังวลเกี่ยวกับความกลัวตายในชีวิตประจําวันของคนเราถ้าหากว่าคนไหนจะพึงตัดความกังวลต่างๆออกไปจากจิตใจได้ก็จะเป็นคนที่มีความสบายใจอย่างที่สุดความจริงข้อนี้ใครๆก็ทราบเพราะว่าในบางขณะที่จิตใจเราปลอดโปรง่งไม่รู้สึกวิตกกังวลถึงสิ่งใดๆ จิตใจเป็นอิสระนั้นจะรู้สึกว่าเป็นสุขใจมากภาวะอย่างนี้ทุกคนเคยผ่านมาไม่มากก็ น, น้อยเพราะฉะนั้นทุกคนจึงรู้ดีว่าถ้าตัดความกังวลได้ใจก็เป็นสุขแต่ปัญหามีอยู่ว่าความกังวลส่วนมากเราได้ลองพยายามที่จะตัดแล้วแต่ไม่ค่อยจะสำเร็จนอกเสียจากว่า เรื่องอันใดที่ทำให้เราวิตกกังวลนั้นเราจะได้จัดการซะให้เรียบร้อยความกังวลในเรื่องนั้นจึงจะหายไปตามความเข้าใจของคนทั่วไปถือว่าต้นเหตุแห่งความกังวลนั้นอยู่ภายนอกไม่ใช่อยู่ในใจของเราฉะนั้นการแก้ก็ต้องมุ่งไปแก้ที่เรื่องภายนอกที่ตัวเองรู้สึกว่าทำให้เกิดความกังวล ความเป็นจริงต้นเหตุของความกังวล น, นั้นไม่ใช่อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่มันอยู่ที่ในใจของตนเองเมื่อใดความโกรธเกิดขึ้นในใจเมื่อนานวิบากน์ของความโกรธจมเกิดขึ้นในสันดานถ้าวิบากน์ของความโกรธในเรื่องไหนมีอยู่พอมีเรื่องนั้นเกิดขึ้นมาอีกความโกรธก็ต้องเกิดขึ้นอีกจากตัวอย่างอันนี้ สำหรับคนที่เข้าใจแจ่มแจ้งดีแล้วย่อมกล่าวได้ว่าความโกรธ จ, จะเกิดหรือไม่เกิดมันสําคัญอยู่ที่ใจของเราเองถ้าเราปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีแล้วความโกรธย่อมไม่เกิดถึงแม้จะมีอารมณ์มายั่วย้าให้เกิดความโกรธก็ตามในทํานองเดียวกันคนเราจะเกิดความวิตกกังวลหรือไม่เกิดไม่ใช่สําคัญอยู่ที่สิ่งภายนอก แต่สำคัญอยู่ที่ใจของเราเองเพราะมันมีกฎอย่างเดียวกันกับในเรื่องความโกรธกล่าวคือเมื่อใดความวิตกกังวลเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบากของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดานถ้าวิบากของมันมีในเรื่องไหนพอมีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นอีกความวิตกกังวลก็เกิดขึ้นอีกขอให้พิจารณาดู ถ้าหากเราจะแก้ความวิตกกังวลด้วยการแก้ไขหรือจัดการกับสิ่งภายนอกให้เรียบร้อยความวิตกกังวลจึงจะหายถ้าหากมามุ่งแก้กันแต่อย่างนี้ทุเรื่องไปมันก็จะไม่รู้จักสิ้นสุดเพราะเป็นของแน่นอนว่าพอจัดเรื่องนี้เสร็จมันก็จะมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาอีกเราไม่มีทางที่จะไปจัดการกับสิ่งภายนอก ให้เรียบร้อยตามความปรารถนาได้ทุกอย่างเช่นคนจนซึ่งย่อมจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่เสมอและอยากจะได้เงินเพื่อมาแก้ปัญหาที่กําลังมีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะคิดอยู่แต่ในเรื่องว่าทําอย่างไรจึงจะได้เงินถ้าหากมีหวังว่าจะได้ที่ใดที่หนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ หรือมีทีท่าว่ามันจะไม่ได้ก็จะต้องคิดอยู่แต่เรื่องนั้นสมมติว่าเราแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้สำเร็จเพราะเราได้เงินมาแล้วก็จะพบอีกว่ามันยังมีเรื่องอื่นอีกที่ยังแก้ไขไม่ได้เช่นพวกเศรษฐีซึ่งพวกนี้มักจะมีความต้องการมากกว่าคนจนหลายเท่าฉะนั้น ความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆก็จะมีมากเป็นเงาตามความต้องการนั้นๆเพราะฉะนั้นอย่าไปนึกว่าการที่เขามีเงินอย่างมากมายนั้นจะทำให้เขาตัดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความขาดแคลนออกไปได้ตรงกันข้ามผู้ที่มีเงินอย่างมากมายนั้นส่วนมากกลับจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ยิ่งกว่าคนจนหลายเท่าแม้ในเรื่องอื่นๆเช่นในเรื่องสุขภาพก็เหมือนกันบางคนในเมื่อมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่จะรักษาโรคนั้นให้หายเมื่อยังไม่หายก็จะคิดอยู่แต่เรื่องโรคนั้นแต่พอหายแล้วมันก็จะมีเรื่องอย่างอื่นทําให้เกิดความวิตกกังวลอีก รวมความว่าถ้าหากเรามุ่งจะแก้กความวิตกกังวลด้วยการจัดการกับสิ่งภายนอกเราไม่มีทางที่จะเอาชนะมันได้เลยเป็นอันขาดเพราะต้นเหตุของความวิตกกังวลมันอยู่ที่ใจของเราเองถ้าเราไม่รู้จักปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีแล้วความวิตกกังวลจะไม่มีทางหายเลยทุกคนกลัวตายเมื่อรู้ว่า วิธีไหนหรือเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้ตัวเองถึงแก่ความตายก็จะทำให้วิตกกังวลมากเพราะความกลัวตายเป็นความรู้สึกที่รุนแรงยิ่งกว่าความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากคนเรายอมรักชีวิตยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดจงสังเกตว่าถ้าหากเราจะตัดความกังวลในเรื่องนี้ด้วยการพยายามทุกๆอย่าง ที่จะป้องกันไม่ให้ตายก็ไม่มีทางจะป้องกันได้เพราะถึงอย่างไรสักวันหนึ่งมันก็ต้องตายแน่เพราะฉะนั้นวิธีที่จะตัดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความตายนั้นเราจะมาคิดแก้ไขเฉพาะแต่ที่ร่างกายอย่างเดียวไม่มีทางสำเร็จแต่เราก็ควรจะป้องกันหรือรักษาร่างกายไม่ให้ถึงแก่ความตายเท่าที่จะทาได้ ไม่ใช่จะปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ต่อความปลอดภัยของร่างกายเสียเลยแต่ปัญหาสำคัญมีอยู่ว่าเราจะมัวมาแก้ไขเฉพาะแต่ที่ร่างกายอย่างเดียวย่อมไม่มีทางจะเอาชนะความวิตกกังวลได้เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขที่จิตใจเขาตัวเองด้วยและในเมื่อเราแก้ไขจิตใจเขาเราได้มาตรฐานแล้ว ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความตายก็จะหมดไปจะตายเมื่อไรที่ไหนด้วยวิธีใดเราก็พร้อมอยู่เสมอที่จะต้อนรับด้วยความยินดีพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่างูที่ลอกคราบย่อมไม่เสียดายหรือเป็นห่วงถึงคราบของมันฉันใดบัณฑิตก็ย่อมจะไม่เป็นห่วงถึงคราบคือร่างกายที่จะต้องตายในวันหนึ่งฉันนั้น ขอให้สังเกตดูว่าการที่งูไม่เป็นห่วงถึงคราบที่มันทิ้งไปทั้งนี้ก็เพราะมันรู้อยู่แก่ใจว่าคราบนั้นไม่ใช่ตัวมันเพราะถึงแม้จะลอกคราบไปแล้วชีวิตของมันก็ยังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันรู้สึกว่าเป็นของมันก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นมันจึงไม่เป็นห่วงถึงคราบที่ทิ้งไปถ้าหากคนเราเข้าใจว่า ความตายก็เหมือนกับงูลอกคราบก็จะไม่มีใครกลัวตายเลยแต่การที่คนเราทุกคนกลัวตายก็เพราะรู้สึกว่าความตายเป็นความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการทัดพลากจากบุคคลและสิ่งของอันเป็นที่รักคนเราไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนงูคือไม่ได้รู้สึกว่าถึงแม้จะตายแต่เราก็ยังอยู่ และก็อยู่อย่างบริบูรณ์อยู่อย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างถ้ารู้สึกอย่างนี้ก็ไม่กลัวตายจะไม่วิตกกังวลถึงความตายฉะนั้นปัญหาสำคัญจึงมีอยู่ว่าความจริงความตายทำให้เราต้องสูญเสียทุกอย่างจริงหรือไม่ความตายเหมือนกับงูลอกคราบจริงหรือเปล่าอันที่จริง ความกังวลก็คือความหวาดกลัวในรูปต่างๆนั่นเองเช่นกลัวจะไม่ได้กลัวจะสูญหายกลัวจะตายกลัวจะอดกลัวเขาจะไม่รักกลัวเขาจะดูถูกอะไรทำนองนี้เป็นต้นความกังวลคือหวาดกลัวต่างๆนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนต้นเหตุของมันก็คือความไม่รู้แจ้งแทงตลอดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเช่น คนที่กลัวตายก็เพราะกลัวจะสูญเสียกลัวจะพลาดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักนั้นความจริงถ้าเขารู้แจ้งว่าความตายก็เหมือนกับงูรอกคราบนั่นแหละเพราะถึงแม้ร่างกายจะตายไปหรือจะต้องพลาดพลากหรือสูญเสียทุกสิ่งท่าอย่างที่เคยเป็นของตนเองก็จริงแต่ความเป็นจริงแล้วตัวเราก็ไม่ได้ตาย และก็ไม่เป็นการสูญเสียอะไรเลยถ้าหากเราทำกรรมดีเอาไว้มากเพราะชีวิตจริงๆไม่ใช่หมายถึงกายเนื้อแต่หากหมายถึงวิญญาณซึ่งเรียกว่าชีวิตภายในวิญญาณซึ่งประกอบไปด้วยิบากต่างๆที่เราสะสมเอาไว้อันนี้แหละคือต้นกําเนิดของชีวิตร่างกายก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีชื่อเสียงก็ดี ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฐานะภายนอกนั้นล้วนแต่เอากำเนิดมาจากวิบากทั้งสิน้นเหมือนกับต้นไม้เอากำเนิดมาจากเมล็ดของมันคนเราเมื่อถึงเวลาตายก็ตายแต่เพียงร่างกายส่วนวิญญาณและวิบากยังอยู่เมื่อวิญญาณยังอยู่วิบากยังอยู่แต่ถ้าจะพูดให้ถูกต้องตามหลักอภิธรรมจริง ต้องพูดว่าเหลืออยู่แต่วิบากหรือวิปากรจิตมันก็จะสร้างชีวิตสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาอีกขอให้สังเกตดูว่าเมื่อวิญญาณจุติจากร่างกายที่เป็นโอปะปะจิกะเข้าสู่ท้องมารดา น, นั้นในทันทีที่มันปฏิสนธิมันก็เริ่มสร้างร่างกายให้จเจริญเติบโตขึ้นมาโดยลำดับ และในระหว่างที่ทำการสร้างร่างกายอยู่นั้นเราก็จะพบว่าสาหรับวิญญาณที่มีวิบากมาดีได้เกิดในตระกูลที่พ่อแม่มีฐานะดีมีการศึกษาดีเด็กก็จะมีความสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิและเมื่อคลอดออกมาแล้วก็จะพบแต่ความสะดวกสบายนานาประการ แต่สำหรับวิญญาณที่มีวิบากมาไม่ดีก็จะมีผลตรงกันข้ามซึ่งจะสุขสบายแค่ไหนหรือมีความทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับวิบากเป็นปัจจัยสำคัญและขอให้สังเกตอีกว่าเมื่อตอนที่วิญญาณจุตติจากชีวิตในโลกของโอปปะิกะมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็มาแต่ตัวเปล่า ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาแต่แล้วก็จะมาพบหรือมามีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่เคยมีมาเมื่อก่อนจุติในธรรมนองเดียวกันคนเราเมื่อตายจากร่างกายมนุษย์ก็ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังทั้งหมดไปแต่ตัวเปล่าๆแต่ครั้นแล้วในขณะแรกที่เกิดในโลกของโอปาปติกะ ร่างกายก็จะเกิดขึ้นใหม่และมีทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายคลยกับเกิดมาในโลกมนุษย์เหมือนกันซึ่งใครจะได้ดีมีความสุขแค่ไหนอย่างไรหรือจะประสบความทุกข์ยากลําบากอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับวิบากที่ตัวได้สร้างเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าคนที่ตายก็เหมือนกับงูลอกคราบจริงๆงูไม่เสียดายคราบ ก็เพราะมันรู้ว่าคราบไม่ใช่ตัวของมันอย่างแท้จริงเมื่อลอกคราบไปแล้วตัวของมันก็ยังอยู่คนส่วนมากไม่ได้เข้าใจชีวิตเหมือนอย่างที่ทธิบายมาหรือถึงแม้จะเข้าใจอยู่บ้างก็ไม่แจ่มแจ้งยังคงคิดอยู่เสมอว่าความตายเป็นความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างความตายเป็นการพลาดพลาดจากทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นั่นเองฉะนั้นจริงได้กลัวตาย จากเรื่องที่กล่าวมาเราจะเห็นได้ว่าการที่คนเรามีความกลัวต่อความตายอย่างยิ่งนั้นก็เพราะมายึดถือเอาร่างกายเป็นตัวเราหรือของของเรายึดถืออย่างเหนียวแน่นที่สุดว่าตัวเราก็คือร่างกายนี่เองนอกจากร่างกายแล้วก็ไม่มีตัวเราที่ไหนอีกทั้งนี้ก็เพราะเขาไม่รู้ว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิต นิบากซึ่งมีในวิญญาณเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องต้นไม้เขารู้แจ้งว่ามันเกิดมาจากมเมล็ดไม่ใช่เกิดมาจากดินแต่เรื่องคนเขาไม่ได้รู้แจ้งเช่นนั้นเขาคอยแต่จะเข้าใจว่าคนเราเอากําเนิดมาจากพ่อแม่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติคำว่าเกิดมาตามธรรมชาติ ตามความหมายของเขานั้นเขาหมายความว่าเขาเคยเห็นเคยรู้มายังจําเจแต่เพียงว่าคนเราเมื่อจะเกิดก็เกิดโดยวิธีนี้ทั้งนั้นคือโดยวิธีต้องอาศัยพ่อแม่เขาจึงพูดว่าเป็นธรรมชาติของคนที่จะต้องเกิดมาโดยวิธีนี้เพราะมองไม่เห็นเรื่องวิ ญ, ญญาณที่อยู่เบื้องหลังชีวิต ไม่เคยคิดไม่เคยนึกว่าคนเราก็เหมือนกับต้นไม้คือจะต้องเอากําเนิดมาจากพืชของมันซึ่งพืชที่ว่านี้หมายถึงวิญญาณและวิญญาณนี้ก็เป็นพืชชนิดที่ไม่รู้จักตายวิญญาณมีการเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่มันก็มีการสืบต่อไม่ขาดสายดินน้ําลมไฟหรือศาสตร์าวุธใดๆ ไม่สามารถทำให้วิญญาณดับหรือสูญหายไปได้วิญญาณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอะไรอะไรก็ทำให้มันตายไม่ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าคนเรารู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเช่นนี้แล้วความกลัวตายก็จะน้อยลงไปมากทีเดียวอันหนึ่งบางคนทั้งที่รู้ทั้งที่เข้าใจและก็เชื่อตามนี้ทุกอย่าง แต่ก็ยังอดกลัวตายไม่ได้นั่นเป็นเพราะไม่เขาจะได้หัดการปล่อยวางไม่มันฝึกสมาธิและเจริญวิปัสนาวิบากของการปล่อยวางในสั้นดานมีไม่พอเพราะฉะนั้นถึงแม้จะรู้อยู่ว่าความตายไม่ใช่ความสูญเสียแต่ก็ยังอดกลัวตายไม่ได้คนที่เคยกลัวปิงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย แม้จะรู้อยู่ว่าปริงเกาะไม่ได้ทำให้เราตายถึงแม้มันจะกัดหรือดูดเลือดก็ไม่ทำให้เราเจ็บและสูญเสียเลือดมากมายนักแต่ถึงกระนั้นถ้าไม่เคยชินกับในเรื่องปริงเกาะก็จะไม่หายกลัวในเรื่องปริงข้อนี้ฉันใดการที่คนเราจะหายกลัวตายหรือกลัวในเรื่องนี้น้อยลงก็ต่อเมื่อต้องหัดปรงบ่อย และจะต้องหัดทําใจให้สบายอยู่เสมอในเมื่อมีการสูญเสียหรือมีการพลัดพลากจากสิ่งที่รักและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องหัดให้เป็นคนมีนิสัยเสียสละรู้จักให้อะไรแก่คนอื่นเปล่าๆด้วยความเมตตากราุณาหรือด้วยความเคารพนับถือหรือด้วยความกตัญญูในเรื่องนี้ต้องหัดให้มากไม่เช่นนั้น ก็ช่วยพ้นจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความตายไม่ได้อันหนึง่งถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความตายเข้าใจแจ่มแจ้งดีแล้วเราก็จะพบว่าแม้ในเรื่องอื่นถ้าหากว่าเราจะมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นก็มีสาเหตุมาอย่างเดียวกันคือเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ไม่รู้แจ้งถึงหลักธรรมดาของเรื่องนั้นๆและอีกประการหนึ่งก็คือยังมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ น, น, น้อยยังไม่เคยหัดปล่อยวางหรือหัดเสียสละเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเช่นบางคนวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องโรคบางอย่างในร่างกายของตัวเองซึ่งความจริงโรคนั้นไม่ใช่โรคร้ายแรงรักษาไม่ยาก ถ้ารักษาให้ถูกวิธีแต่เพราะเหตุที่เขาไม่รู้แจ้งเกี่ยวกับโรคนี้จึงทำให้เป็นห่วงไปต่างๆส่วนหมอซึ่งรู้เรื่องเหล่านี้ดีก็ไม่วิตกกังวลคนที่ขับรถใหม่ๆยังไม่ชำนาญก็กลัวไปต่างๆทั้งนี้ก็เพราะไม่รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องรถยังมีประสบการณ์ไม่พอเกี่ยวกับเรื่องนี้ ส่วนคนที่ขับรถจนชำนาญเขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขับรถเกี่ยวกับเรื่องถนนหนทางเกี่ยวกับเรื่องกฎจราจรและเรื่องอื่นๆได้ดีและมีประสบการณ์มามากเขาก็ไม่กังวลในเรื่องการขับรถข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเภทไหนถ้าหากเราจะพึงมีความวิตกกังวลเกิดขึ้น นั่นก็ต้องเป็นเพราะยังไม่รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องนั้นยังมีประสบการณ์น้อยเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าไม่เคยหัดปล่อยวางไม่เคยหัดเสียสละมาอย่างเพียงพอแล้วแม้จะมีความรู้ดีในเรื่องนั้นก็จะช่วยให้ตัดความวิตกกังวลไม่ได้เหมือนกับหมอบางคนทั้งที่รู้เรื่องร่างกายดี รู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บดีและเคยผ่านคนตายมามากแต่ท้านิสัยปล่อยวางนิสัยเสียสละมีน้อยและไม่เข้าใจชีวิตหลังจากตายถึงแม้จะเป็นหมอก็ช่วยไม่ให้กลัวตายไม่ได้เหมือนกัน